ยุคนี้ไม่เหมือนกันอะไรยังตรงเนี้ยใช่ผมฟังความเข้าใจผมคือว่าเหมือนรู้ได้กันเทศกั้เดียวเองแล้วก็บรรลุเลยไม่น่าจะหมดชันตู้มาทำหน้เห ม, มือนมีวันนี้คนบรรลุช้าก็ไม่เอามาเขียนนะดิคนบรรลุช้าก็มีคนฟังแล้วยังไม่บรรลุก็มีมเหมือนเรานี่นะเหมือนกันเนี่ยเราก็อาจจะเคยฟังมาแล้วหลายพระพุทธเจ้ามาผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์แล้ว แต่เขาเขียนถึงเราไหมไม่เขียนเพราะว่าไม่ได้บรรลุหรือว่าไม่พิเศษฉะนั้นอะไรที่เราเขียนนี่ก็แสดงว่าอะไรที่มันพิเศษนั่นเองเหมือนเราบันทึกเนี่ยสมมติมาที่นี่เขาให้บันทึกไหมบันทึกเรื่องราวต่างๆเราก็ต้องเอาความพิเศษหรือว่าเรื่องที่มันเด่นๆใครจะมาบันทึกว่าวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าปวดท้องเลยไปนั่งห้องน้ําพอหน้าห้องน้ําแล้วรู้สึกสบายใจมากเลย ไม่มีใครเขียนอย่างนั้นนะเพราะว่ามันธรรมดาเกินไปในตำราหรือว่าในสิ่งที่เราอ่านมาก็ทํานองเดียวกันนั่นแหละเวลาเขาพูดถึงเขก็ต้องพูดถึงที่โดดเด่นหรือว่าที่มันสําคัญสําคัญนะแต่ถึงยังไงก็ตามแต่นะเราก็จะได้เห็นถึงความแตกต่างนะทําไมในก่อนๆจึงเป็นอย่างนี้ทําไมตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่านั้นมันตอนก่อน ตอนนี้มันตอนนี้ทำไมบางอาจารย์ว่าอย่างนี้ทำไมบางอาจารย์ว่าอย่างนี้ทำไมบางอาจารย์ว่าอย่างนี้ก็เพราะเป็นบางอาจารย์ทำไมบางคนเป็นอย่างนี้ทำไมบางคนเป็นอย่างนี้ทำไมบางคนจึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นบางคนนี่นะเห็นไหมทำไมคนนี้จึงบรรลุเร็วทำไมคนนี้จึงบรรลุช้าก็เพราะไม่เหมือนกันการที่แต่ละคนไม่เหมือนกันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วเห็นไมม เวลาท่านไปอ่านเรื่องคนบรรลุชา้าบางท่านเกือบก่อนจะบรรลุนี่บวชทั้งหลายปีมากบวชตั้งแต่นหนุ่มนูน่นแก่จึงบรรลุในสมัยพุทธกาลก็มีมากนะบางท่านก็ฟังธรรมะเสร็จบรรลุเลยใช่ไหมบรรลุเร็วมากเช่นพระพายิยะเป็นตน้นบรรลุเร็วกว่าท่านโกนัญญาอีกนะฟังแป๊บเดียวบรรลุเลยนะบางท่านก็ฟัง ไปปฏิบัติอยู่สิบสองปีบ้างยี่สิบปีบ้างจึงบรรลุอย่างนี้เหมือนท่านราหุลรู้จักท่านราหุลไหมโดนจับบวชตั้งแต่เป็นสามเณรบวชพระพุทธเจ้าสอนแล้วสอนอีกอยู่ตั้งนานนูน่นต้องเป็นพระหนึ่งถึงจะได้บรรลุนี่กี่ปีสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีจึงได้บรรลุนานไหมท่านเนี้บางท่านก็ไม่ได้บรรลุเลยนะนี่ก็เหมือนเหมือนกันเกือบยุคนี้นั่นแหละนะเพียงแต่ยุคนี้ บางท่านบรรลุเร็วท่านจะมาบอกเราหรือเปล่าผมไม่รู้เ น, ะนาะนะอย่างนี้นะฉะนั้นเรื่องสมัยก่อนบรร ล, ลุเร็วสมัยนี้บรรลุช้าอะไรต่างๆก็เป็นความแตกต่างของยุคสมัยแล้วก็เรื่องความแตกต่างของบุคคลฉะนั้นเรื่องความแตกต่างของบุคคล น, นี้เราอ่านนี้ไม่ใช่เพื่อว่าจะให้ใครเหมือนใครแต่เพื่อเข้าใจความแตกต่างรู้จักคําว่าเข้าใจความแตกต่างไหม การเข้าใจความแตกต่างแล้วก็อยู่กับความแตกต่างได้นั่นแหละเขาเรียกว่าความสมบูรณ์ถ้าเป็นคนเหมือนกันหมดอันนี้ก็พิการสมมติผมเป็นอย่างนี้หัวหน้าทัวร์ก็เป็นเหมือนผมด้วยอย่างนี้อย่ามาอยู่ด้วยกันดีกว่าเพราว่ามันจะกลายเป็นกลุ่มพิการไปผมต้องเป็นอย่างหนึ่งหัวหน้าทัวร์ต้องเป็นอย่างหนึ่งคนนั้นต้องเป็นอย่างหนึ่งพี่ต้องเป็นอย่างหนึ่งพี่หรือน้องวะเป็นน้องผมวะโธ่ พูดผิดคนนี้ก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งพูดมากหน่อยคนนี้เออนะเห็นไหมฉะนั้นการที่แต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่นะแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่แหละก็คือความสมบูรณ์แต่เราทั้งหลายนั้นส่วนใหญ่ไม่ยอมรับอันนี้นะเราพยายามจะให้แต่ละคนนี้เห็นเหมือนกันถ้าเราคิดว่าอันนี้ดีก็อยากจะให้เขาเห็นว่าอันนี้ดีตามไปด้วย อันนี้ก็คือความพิกลพิการของความคิดแล้วก็ของบุคคลที่เขาอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่แท้ที่จริงคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมจะให้เห็นเหมือนกันได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นการเห็นเหมือนกันไม่ได้นี่แหละคือความสมบูรณ์แบบนะการแตกต่างหลายๆคนแตกต่างกันนั่นแหละทําให้มันสมบูรณ์นะฉะนั้นแต่ละคนก็มีจุดบกพร่องตร ง, ตรงนี้จุดด้อยตรงนั้นตรงนี้มารวมรวมกันเข้ามันก็กลายเป็นความสมบูรณ์ของมัน ในโลกที่มันพอเป็นไปได้ก็เพราะมีอย่างนี้นั้นแหละความสมบูรณ์สังคมก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันแต่ว่าที่เรามันมีปัญหาอยู่ตอนนี้เพราะว่าเราไม่เข้าใจอันนี้นะก็คือไม่สามารถที่จะเข้าใจกันได้ว่าเอ้ยนี่เราไม่เหมือนกันเนี่ยเราพยายามพูดกันเพื่อจะเข้าใจกันใช่ไหมเราพูดกันเพื่อจะเข้าใจกันทําไมต้องพูดกันอยู่เรื่อยก็ว่าแท้ที่จริงแล้วมันเข้าใจกันไม่ได้นั่นเองเห็นไหมเวลาเราคุยกันเนี่ย เขาคุยกันเพื่ออะไรประชุมกันเพื่ออะไรเพื่อทําความเข้าใจกันแล้วทําไมต้องประชุมทุกวันอาทิตย์อหรือว่าทุกวันจันทร์ประชุมทุกอาทิตย์ประชุมทุกเดือนประชุมทุกปีเพราะว่าแท้ที่จริงมันเข้าใจกันไม่ได้นะแต่เรากําลังเข้าใจผิดอยู่ทําสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้คือเราพยายามคุยกันเพื่อจะเข้าใจกันใช่ไหมแต่ทําไมต้องคุยกันบ่อยๆเพราะว่ามันเข้าใจกันไม่ได้นั่นเอง ถ้ามันเข้าใจกันได้เราจะต้องคุยกันบ่อยไหมไม่จําเป็นเลยนะอย่างนี้ฉะนั้นแท้ที่จริงเราคุยกันนี่นะเพื่อจะรู้ว่ามันไม่สามารถจะเข้าใจกันได้ไม่สามารถจะเห็นเหมือนกันได้อนี้แหละคือประเด็นสําคัญของการคุยนะเราคุยกันนี่นะไม่ใช่เพื่อจะให้เข้าใจกันแต่คุยกันเพื่อจะรู้ว่าแต่ละคนนี้คิดไม่เหมือนกันไม่สามารถที่จะเข้าใจกันได้ ถ้าคุยกันแล้วได้ความรู้อันนี้ก็แสดงว่าการคุยนั้นประสบความสาเร็จแล้วแต่เราทั้งหลายพยายามหลอกตนเองใช่ไหมคุยกันโอ้เข้าใจกันแล้วอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าเขายอมก็ดีไปใช่ไหมแต่คนที่บนบอกว่าเข้าใจแต้จริงมันก็คิดไปอย่างนึ่นแต่ก็พูดว่าเข้าใจนั่นแหละแต่ว่าเข้าใจไปคนละแง่คนละมุมไปอย่างนี้<ม>เห็นไหมฉะนั้นที่ท่านถามนะเรื่องของคนยุคกเก่าเป็นอย่างหนึ่ง คนยุคใหม่ทำไมเป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้คนโน้นทำไมเป็นอย่างโน้นอันนี้ยิ่งท่านเห็นความแตกต่าง ม, มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่ามันจะแสดงให้เห็นความต่างของบุคคลต่างๆถ้าเราสามารถอยู่กับความแตกต่างได้เราก็จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มขึ้นแท้ที่จริงความแตกต่างทุกอย่างนี้นะถ้าเราสามารถอยู่กับตัวเองได้เราก็จะรู้วันวันหนึ่งเราแตกตานะ่างไหมบางวันก็เป็นคนดีเหมือนกันเนาะ เออนะบางวันก็เป็นคนดีค <good>, right? <speaking> ิดด yeah, so ีทําด <speaking> ีมีเมตตาแต่บางวันหงุดหงิดทั้งวันเห็นไหมเออบางวันก็คิดอะไรก็หงุดหงิดไปทั่วเนี่ยอยู่กับตัวเองเป็นมไี่บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็หงุดหงิดบ่อยบางวันก็ใจดีเนี่ยบางวันก็ยิ้มได้ทั้งวันอ่ะแต่บางวันก็หงุดหงิดตลอดนี่ถ้าเราอยู่กับตัวเองได้นะเราก็จะเข้าใจคนอื่นๆแล้วก็อยู่กับคนอื่นได้ไปด้วยแต่ ตอนนี้เราทั้งหลายนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วอยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับตนเองไม่เป็นคือยังรักตัวเองอยู่แล้วก็ยังเปลียดตัวเองอยู่ยังชอบตัวเองด้วยและไม่ชอบตัวเองด้วยความสัมพันธ์กับตัวเองมันผิดพลาดอยู่คือไม่สามารถยอมรับตนเองได้โดยไม่มีเงื่อนไขประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ในเมื่อเราไม่สามารถยอมรับตนเองได้อย่างไม่มีเงื่อนไขเราจึงไม่สามารถยอมรับคนอื่นได้ไปด้วย จึงรู้สึกว่าเอะคนนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้คนนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นนั้นคําถามทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือเราอยากให้มันเป็นอย่างอื่นหรือว่าอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้คือไม่สามารถที่จะยอมรับได้อย่างที่เขาเป็นนั่นเองที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะยอมรับตนเองได้โดยไม่มีเงื่อนไขซะก่อนเห็นไหมเวลาเราคิดไม่ดียอมรับตนเองได้ไหมว่าเนี่มันคิดไม่ดีอย่างนี้มันคิดมันเป็นธรรมดาของมัน เป็นเรื่องปกติเกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันแล้วมันก็จะดับไปเวลาเครียดเวลาทุกเวลาเบื่อเวลาเซ็งยอมรับตัวเองได้ไหมเวลาเศร้าเวลาเหงาอเวลารู้สึกว่าไม่มีใครแล้วเป็นทุกข์มากแล้วอยู่ตัวคนเดียวแล้วไม่มีใครเอาเราแล้วอย่างนี้ยยอมรับตัวเองได้ไหมอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่เราไม่สามารถจะยอมรับตัวเองได้นะ แล้วมันก็แสดงออกมาในแง่มุมของการพยายามทําให้คนอื่นยอมรับอันนั้นแหละคือความรู้สึกขาดตกบกพร่องภายในของเราเองคือการที่ยังเข้าใจผิดแล้วก็สัมพันธ์กับตัวเองไม่ถูกต้องอยู่นะฉะนั้นคนที่พยายามทําให้คนอื่นยอมรับคนเหล่านี้ก็คือคนที่ยังไม่ยอมรับตนเองคนที่พยายามทําตัวเป็นคนกล้าหาญก็คือคนที่ไม่ยอมรับความอ่อนแอ คนเรามันต้องมีทั้งความกล้าหาญมีทั้งความอ่อนแอมันจึงเป็นเรื่องปกติคนที่เขาทําตัวเป็นคนกล้าก็แสดงว่าเขาไม่ยอมรับความกลัวที่มีอยู่ในใจเขาคนที่แสดงว่าตัวเองมีอำนาจก็คือคนที่ไม่ได้มีอํานาจอะไรเลยแค่ปกปิดความอ่อนแอของตนเองไว้เท่านั้นเองนี่นะพอเข้าใจไหมฉะนั้นเราต้องยอมรับได้ทั้งสองอย่างทั้งสองคู่ตรงข้ามของมันอย่างที่มันเป็นด้วยแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขด้วย ฉนั้นเราอ่อนแอก็ได้เรากลัวผีก็ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่หรือว่า ก, ากล้า ก, ออก็เป็นเหมือนกันอ่อนแอก็เป็นกล้าหาญก็เป็นเหมือนกันแข็งแรงก็เป็นเหมือนกันที่เกียดก็เป็นเหมือนกันขยันก็เป็นเหมือนกันเรายอมรับตัวเองได้เมื่อยอมรับตัวเองได้รักตัวเองได้อย่างปาาราศจากเงื่อนไขเราก็จะรักคนอื่นเป็นแล้วก็เข้าใจคนอื่นเป็นแล้วก็เข้าใจความแตกต่างของบุคคลต่างๆ ฉนั้นท้าว่าโดยตัวเราแล้วนี่นะก็เหมือนหลายคนรวมกันอยู่ในนี้เพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันแต่ละความรู้สึกอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยเกิด น, นี่พอเข้าใจไหมนะอันนี้ถามเรื่องบรรลุธรรมเลยพูดเรื่องความแตกต่างให้ฟังนะแต่ที่จริงแล้วสิ่งต่างๆที่เราได้อ่านในหนังสือแสดงความแตกต่างของบุคคลฉะนั้นบุคคลที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ของภาวะแวดล้อมและของสิ่งที่เขาทําทํามามากมามหาศาลมีเหตุปัจจัยมากที่ทําให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นเมื่อเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วเราเอามาอา่านเขาก็บอกอะไรไว้หมดแล้วแต่ว่าที่เราเป็นเนี่ยนะมันไม่สามารถมาบอกได้จนกว่ามันจะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยไปค้นดูอีกทีหนึ่งนี่พอเข้าใจไหมน ะ, นะฉะนั้นไอคนที่เขา บรรลุไปอย่างรวดเร็วนั้นเขาก็ไม่รู้ตัวเองหรอกว่าเขาจะบรรลุเร็วหรือบรรลุชา้าแต่เขาบรรลุไปแล้วแต่เรานี้มาอ่านเรื่องของเขาเราก็ไปวิจาร์อย่างนั้นวิจารณ์อย่างนี้แต่คนที่เขาฟังตอนนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะบรรลุเร็วหรือบรรลุชา้านี่พอเข้าใจไหมเขาไม่ได้คิดเรื่องว่าเอ๊ะเขาบําเพ็ญบา ร, รมีมาพอหรือยังเขาบําเพ็ญมาเท่าไหร่แล้วอะไรเนี้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนั้นเขาแค่ฟังแล้วแค่ใส่ใจให้มันถูกต้องเข้าใจแล้วก็บรรลุไป แต่เราทั้งหลายบางทีอาจจะคิดมากไปหน่อยคล้ายๆกับโอ้เขาบำเพ็ญบา ร, รมีมาเยอะเลยบรรลุเร็วแต่คนที่เขาฟังตอนนั้นนะนะอย่างท่านอญยากุณฑัญญะท่านฟังธรรมท่านก็แค่ตั้งใจฟังตอนเท่านั้นเองนะตอนแรกก็ไม่อยากจะฟังหรอกเพราะว่าคลายความเพียนซะแล้วท่านโพธิสัตว์นี้เนี่ยนะท่านศีสันทธธาเนี่ยตอนแรกก็บาเพ็ญทุกละกิริยาอยู่ดีๆใช่ไหตอนหลังมา ฉันอาหารซะแล้วคงจะไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาแล้วไม่อยากฟังแล้วนะจนพระพุทธเจ้าต้องพูดว่านี่นะตอนนี้เราตรัสรู้แล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราจะบอก่นะต้องพูดถึงสามทีแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าเราเคยพูดอย่างนี้ไหมเคยพูดว่าได้ตรัสรู้แล้วไหมท่านัญญากุลัญญ า, าก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันมา ไม่เคยพูดคํานี้เลยไม่เคยพูดว่าได้ตรัสรู้แล้วก็เลยตั้งใจฟังท่านก็ไม่ได้สนใจว่าท่านบําเพ็ญบารมีมาเท่าไร่อะไรเท่าไหรแค่ตั้งใจฟังเท่านั้นเองนี่พอเข้าใจประเด็นไหมฉะนั้นเราทั้งหลายเวลามาฟังธรรมนะก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องว่าเออฉันบําเพ็ญบารมีมาเยอะหรือเปล่าหรือว่าโอ้ยเราห่างไกลาจากยุคสมัยของพระพุทธเจ้าแล้วคงจะไม่ได้บรรลุล้วมัง่งคงจะไม่เข้าใจแล้วมัง่งถ้าคิดอย่างนี้เราก็คงจะ ไม่เข้าใจไปเรื่อยๆเพราะว่ารอแต่บารามีอยู่ทั้งๆที่ในยุคเก่าๆเนี่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วเพราะว่าการบําเพ็ญบารามีทั้งหมดทั้งมวลของผู้ที่เป็นสาวกก็คือเพื่อให้ได้เจอธรรมะเท่านั้นเองถ้าได้เจอธรรมะแล้วการบําบเพ็ญบารามีก็สิ้นสุดลงสิ้นสุดลงก่อนการได้เจอธรรมะนั่นแหละทีนี้ก็อยู่ที่ว่าหลังจากเจอหนทางแล้วบําเพ็ญบารมีมาจนเจอหนทางแล้วพอเจอหนทางแล้วอยู่ที่ว่าเราจะขี้เกียจหรือจะขยัน อยู่ที่คนเดินเท่านั้นเองถ้าเรายัางโอ้ยคอยไปเรื่อยอันนี้ก็แสดงว่ากิเลสเอาไปกิน่ะไม่ต้องโทษบารมีไม่ต้องโทษตัวเองทําบุญมาน้อยอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่าเจอธรรมะแล้วตนเองไม่ขยันรู้ทางแล้วแต่ไม่เดินจะโทษอะไรดีจะโทษว่าโอ้ยกรรมเก่าทํามาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีก็พูดไปก็เสียเวลาเปล่าถ้าจะโทษก็โทษกิเลสของตนเองโทษ ความขี้เกียจของตนเองนั่นแหละนี่พอเข้าใจไหมโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายจะเป็นพวกกิเลสเยอะแล้วก็หาให้เหตุผลให้กิเลสมากนะอย่างบางคนเขาก็อู้เจอหน้าคนนี้เนะอู้ปิ๊งกันเลยสงสัยแต่ก่อนเคยทําบุญร่วมกันมาเขาว่าอย่างนี้แต่ที่จริงที่มันปิ๊งกันเพราะมันมีกิเลส <c oughs> มันไม่ได้เกี่ยวกับอยู่ร่วมกันมาไม่ร่วมกันมาหรอกเ <c oughs> ออน ะ, นะ <c oughs> เพราะมันยังมีกิเลสอยู่ มันก็เลยเป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่มีกิเลสมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกฉะนั้นอย่าไปหลงให้มันมากถ้าตัวเองมีกิเลสก็ยอมรับว่าตัวเองมีกิเลสตัวเองยังไม่รู้ก็ยอมรับว่าตัวเองยังไม่รู้การที่เราไม่รู้แล้วยอมรับว่าตัวเองไม่รู้เนี่ยมันเป็นจุดตั้งต้นของการรู้แล้วแต่ถ้าเราดังหลงวนเวียนหรือว่าให้มันหลอกไปเรื่อยเรื่อยอย่างนั้นมันก็จะหลงไปอีกนานมากทีเดียวเป็นความเข้าใจผิดผิดที่วนเวียนกันอยู่นาน น่ะอ่านะสองคำถามอน่ะไอ้คำถามที่บอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกับท่านอัญญาทนทัญญะกับท่านองคุลิมาในีเหมือนกันไหมอะไรพวกนี้นะอ่าแก่นน่าจะเหมือนกันอะไรพวกเนี้ที่ทำถามนะแต่ที่จริงแก่นของธรรมะมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละ เพราะว่ามันเป็นเรื่องสัจธรรมเป็นเรื่องความจ ร, รมิงแต่จะพูดด้วยคำแบบไหนเท่า น, นั้นเองพระองค์ประกาศความจ ร, รมิงคนก็มองเห็นความจ ร, รมิงเพราะวาความจ ร, ริงมันอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วฉะนั้นความจ ร, รมิงนี้ไม่ใช่มันไม่มีแต่ว่าเราไม่มีตาสำหรับมองดูคือที่ได้พูดไปแล้วเรื่องของเราใช้ชีวิตแบบห ล, ลับตาเดินแบบหลับตาเดินพูดแบบคนละเมอพูดทั้งทั้งที่ความจ ร, ริงมันเป็นอย่างหนึ่งความจริงโอกาสเป็นไปได้มหาศาล แต่ว่าเราพูดมันในแง่ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ทั้งๆ ท, ที่โอกาสที่มันจะเป็นอย่างอื่นนี้มีมากมายฉะนั้นก็เหมือนคนละเมอพูดเท่านั้นเองนะเธอต้องไปให้ได้นะเธอต้องทําให้ได้นะทั้งๆ ท, ที่โอกาสทําไม่ได้นี่มันมีเยอะกว่าซะอีกแต่ก็ละเมอพูดไปอย่างนั้นเองนี่เห็นไหมฉะนั้นธรรมะนี้มันไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเราไม่มีตาไปดูนะคนที่ฝึกฝนตนเองจนกระทั่ง ผีในดวงตามันหมดไปได้มองดูธรรมะเขาเรียกมีธรรมะจักสุดวงตาเห็นธรรมอา่าฉะนั้นที่เรามาฝึกฝนนี่นะมาฟังธรรมะนี่เพื่อเอาความเข้าใจผิดๆที่มันพลางตาเราอยู่ออกไปเห็นไหมได้ฟังผมพูดแล้วเป็นยังไงบ้างตาใสาขึ้นไหมอา่าต้องดูตัวเองเป็นหะลักนะได้พอได้เข้าใจว่าโอ้อ น, นี่มันผิดนี่เราก็ได้รู้จักมันใช่ไหม ตามันก็เร no ิ so right. hike, profiles, ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นเมื่อสว่างขึ้นก็มองเห็นธรรมะที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็อยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้วหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงสักหน่อยก็หายใจออกหายใจเข้ามหายใจออกไม่ได้มันตายเป็นของบังคับไม่ได้นี่ก็เห็นอยู่แล้วข้างหน้าเราเนี่ยแหละสุขเดี๋ยวก็ทุกทุกเดี๋ยวก็สุขนั่งสมาธิอยากจะสงบแล้วมันสงบไหม บางทีสงบบางทีไม่สงบสงบแล้วอยากให้อยู่นานๆได้ไหมไม่ได้มันบังคับไม่ได้ใจนี้อยากจะบรรลุทีเดียวนะฟังธรรมานี่อยากบรรลุเหลือเกินแต่มันบรรลุได้ดังใจไหมมันไม่ได้บรรลุเพราะว่าอยากจะบรรลุแต่ว่ามันบรรลุเพราะว่าเข้าใจความจริงนีคือมีดวงตาละความเข้าใจผิดปิดละความยึดมั่นถือมั่นไปได้ฉันั้นตัวแก่นธรรมานี่ยก็เป็นเรื่องเดียวกัน เพียงแต่ว่าจะพูดในแง่มุมไหนหรือว่าใช้คําไหนในการพูดนะเวลาพราะองค์พูดก็พูดเรื่องอริยสัจบ้างนี้อันนี้สอนท่านอัญญาโกณัญญานะแต่พอสอนท่านองคุลิมาลก็พูดเรื่องเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดพูดแค่นี้ปับ๊บกึกเนี่ยหยุดนะแล้วท่านก็ไปบวชบวชแล้วก็ได้รับคําสอนอีื่นๆเพิ่มเติมนะเป็นไงเราหยุดได้ยัง พระพุทธเจ้านะ่ยหยุดแล้วเราหยุดหรื อ, อยังเ อ, อลองไปหาดูก็แล้วกันนะคนฟังเข้าใจเขาก็เข้าใจนะแต่ว่าคนฟังไม่เข้าใจเอ๊ะอะไรหยุดหยุดไม่หยุดนะอย่างนี้นะครับเพียงท่านก็สอนแก่นของธรรมะนั่นเองนะครับเราทั้งหลายนี่กายวาจาใจเนี่ยถูกกิเลสลากไปทําอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเคยหยุดเป็นบ้างไหม ส่วนพระพุทธเจ้านั้นท่านหยุดแล้วหยุดตามมันแล้วนะพวกกิเลสตัณหาต่งตางๆเนี่ยพาเราไปทํานั่นทํานี่รักษาหน้าตนเองบางทีอุตส่าห์ทำความดีก็เพื่อตอนเองให้ตนเองได้โน่นได้นี่ให้ได้ดูดีดูดีในสายตาตนเองก่อนนะที่ไม่กล้าชั่วเพราะว่ากลัวไม่ได้ดูดีในสายตาตนเองนี่ขนาดโน้นนะคิดดูไปแล้วกันนะพอดูดีในสายตาตนเองก็ดีใจใช่ไหม เออเราก็เป็นคนดีใช้ได้นี่เขาว่าอย่างนี้นี่คิดดูไปแล้วกันมันเข้าใจผิดหนักขนาดนั้นนะฉะนั้นเราทั้งหลายนี่โดยส่วนใหญ่นี่ถูกความเข้าใจผิดผิดนั้นครอบงำเต็มไปหมดเลยวันวันเนี่ยนะคิดว่ามีตัวเรามีของเราแท้จริงแล้วมันไม่ใช่เรกมันมีแต่ของผ่านมาและผ่านไปลองไปสังเกตดูดีๆนะนีไอเราเราที่ว่านั่นนะมันวันหนึ่งวันนึงมันกี่ตัวกันแน่ แล้วมันคงทนไหมเดี๋ยวดูไปบ่อย ๆ, ๆล้วก็จะสังเกตเห็นเองน่ะอุ้ยเราโกรธเนี่ยเราไม่พอใจเนี่ยถ้าความโกรธเป็นเรานะความโกรธมันดับไปเราคงจะหายไปด้วยเนาะแต่ความโกรธหายไปทั้งหลายทีแล้วเราหายไหมไม่หายนี่เห็นไหมนี่พอจะเข้าใจไหมเห็นไหมเราสุขเราทุกข์สุขหายไปกี่ทีแล้ว หายไปตั้งหลายทีแล้วเนาะเราทุกจะตายอยู่แล้วทุกหายไปกี่ทีแล้วหายไปตั้งหลายครั้งแล้วเราหายหรือยังมันนั่งอยู่นี่ไงฉะนั้นสุขทุกข์นี่มันไม่ใช่เราจริงหรอกมันแค่ความเห็น ผ, ผ, ผ, ผ, ผ, ผิดผิดพลาดพล า, ลาต น, นั้นเองแต่ที่จริงมันของเกิดดับของเปลี่ยนแปลงนี่นะให้ดูมันบ่อยๆให้สังเกตบ่อยๆนะเนี่ยในกายในใจเรานี่แหละมีแต่ของเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นนี่นะ ธรรมะถ้าจะเห็นธรรมะก็เห็นสิ่งเหล่านี้นั่นแหละเรียกว่าเห็นธรรมะคนที่เห็นธรรมะได้ดวงตาเห็นธรรมะนี้ก็คือคนที่เห็นสิ่งต่างๆมันอิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านเรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคนใดเห็นปฏิจจสมุปบาทคนนั้นชื่อว่าเห็นธรรมะคนใดเห็นธรรมะคนนั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าไหมมาเนี้ย เต็มเจดีเลยนะหน้าตาเหมือนแขกทุกองค์เลยเพราะว่าอยู่เมืองแขกนะอันนั้นยังไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าการจะเห็นพระพุทธเจ้านี้ต้องเห็นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนใดเห็นธรรมะคนนั้นชื่อว่าเห็นเราคนใดเห็นเราคนนั้นชื่อว่าเห็นธรรมะแล้วเห็นธรรมะคือเห็นอะไรล่ะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นของอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ได้มีตัวตนอย่างแท้จริงในที่ใดที่หนึ่ง เราทั้งหลายเนี่ยมาจากความเปลี่ยนแปลงและก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดนิ่งไม่มีสักจุดเดียวที่มันนิ่งอยู่เนี่ยเอาตัวเองไปวิจัยหรือว่าทําอะไรตามแบบวิทยาศาสตร์ก็ได้ไม่มีส่วนไหนที่มันหยุดนิ่งเลยนี้ด้านรูปปกายหรือว่าด้านกายภาพวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ได้มันมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่แขนของเราหรือเปล่าใจหรือเปล่า กินอาหารเข้าไปซากเป็ดซากไก่ย่อยเข้าไปเนี่ยจนเป็นแขนเนี่ยแล้วแขนมันมาจากความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมาจากซากปลาซากเป็ดซากไก่ซากอะไรก็ไม่รู้ใส่เข้าไปเปลี่ยนมาจากนั่นแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดนิ่งเลยเนี่ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดเนี่นะนี่พอเข้าใจหมอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นธรรมะจึงจับ เป็นตัวเป็นตนหรือว่าจับว่าเป็นของเที่ยงเป็นของแท้ถาวรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้สักที่เดียวเี่ยเห็นคนใดเห็นปฏิจจสมุปบาทคนนั้นชื่อว่าเห็นธรรมะคนใดเห็นธรรมะคนนั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าคือจะเป็นคนตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายพากันไปจับอันใดอันหนึ่งที่มันแท้ที่จริงมันเป็นกระแสเหมือนกระแสน้ํานะมันไหลไปไม่เคยหยุดเลยไม่มีวันหยุด เราก็ไปจับอันใดอันหนึ่งขึ้นมาว่านี่อันนี้เป็นเรานะแล้วมันก็กลายเป็นของเที่ยงคงทนขึ้นมาทาั้งทั้งที่มันไม่เที่ยงใช่ไหม บ, บังคับอ่าเนี่ยเราบังคับได้อย่างโน้นอย่างนี้เราใหญ่เราโตแท้ทจริงแล้วไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรเลยไปสังเกตดูก็ได้นะอย่างนี้นะในธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนคนใดที่เห็นธรรมะเนี่ยก็เห็นอย่างนี้นั่นแหละเห็นเหมือนกันทุกคนนั่นแหละ อย่างแต่ว่าจะพูดด้วยคำคำไหนที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ชํานาญท่านก็เลือกคํามาพูดนะเหมือนผมพูดไปวันแรกๆก็พูดเรื่องธรรมะนี่แหละแต่ท่านฟังก็งงไปวันที่สองก็พูดเรื่องธรรมะนั่นแหละฟังแล้วก็งงอีกวันนี้วันวันที่สองเนาะพูดครั้งที่สามก็พูดเรื่องธรรมะนั่นแหละแต่บางทีอาจจะเข้าใจนะหรืออาจจะงงไปอีกวันต่อไปก็จะพูดเรื่องธรรมะอีกเหมือนเดิมแต่คําพูดมันจะต่างไปเรื่อย พูดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างแต่ว่าโดยจริงๆแล้วก็พูดเรื่องเดียวกันนี่พอเข้าใจไหมใช่เวลาเราไปอ่านในหนังสือนะพระพุทธเจ้าถึงเทศเรื่องนี้กับคนนี้เทศเรื่องนี้กับคนนี้เทศเรื่องนั้นกับคนนั้นเราอาจจะงงว่าเอ๊ะทําไมเทศคนละเรื่องบรรลุไอเราเรียนเนี่ยเรียนทุกเรื่องเลยงงอยู่เลยนะอันนี้แสดงว่ายัางเรียนธรรมะไม่รู้เรื่องเรียนได้แต่ชื่อหรือว่าเรียนแบบนกแก้วไปนะ ธรรมะยังอยู่ห่างไกลมากธรรมะยังอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ยังอยู่กับภูเขาด้วยว่าอยู่กับหลวงพ่อไหนก็ไม่รู้แล้วอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าธรรมะมองเห็นว่าธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวบางคนก็ดีขึ้นมาหน่อยพอเรียนธรรมะแล้วก็เห็นว่าธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวเขาก็เอามาใช้นะเอามาใช้แต่ว่าไม่ได้เอามาใช้กับตัวเองหรอกเอามาใช้กับคนอื่นอันนี้พวกนี้ก็ธรรมะใช้ได้กับทุกคนยกเว้นตัวเอง มาเรียนธรรมะแล้วเนี่ยหลวงพ่อสอนว่าอย่างนี้เธอต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ธรรมะหมวดนี้ใช้กับเด็กถ้าเป็นผู้เลียหารก็อ้พวกลูกน้องนี่มันไม่ค่อยมีธรรมะอาจารย์ช่วยสอนนี้มันมีธรรมะหน่อยแนหนกไว้เนี่ยอันนี้พวกนี้ธรรมะเริ่มดีขึ้นใกล้ตัวขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่รู้จักธรรมะอยู่ดีจนกว่าจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วธรรมะไม่ใช่ทั้งแบบไกลไม่ใช่ทั้งแบบใกล้เพราะว่าตัวเราทั้งหมดนั่นแหละคือธรรมะแหละ นะมันมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่นะนี่พูดประเด็นของการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าแก่สาวกที่แสดงแตกต่างกันก็เรื่องคําพูดเรื่องการสื่อเท่านั้นเองส่วนตัวธรรมะที่สื่อออกไปแล้วสาวกรู้ก็เป็นเรื่องเดียวกันทั้งนั้นอย่างนี้นะครับนะส่วนคําถามต่อไปท่านถามว่าอะไรนะ อ๋อจิตว่างกับเรื่องสมาธิใช่ไหมจิตว่างจิตว่างนี้เป็นคำแปลรุ่นหลังๆเท่านั้นเองนะโดยจริงๆแล้วมาจากคำเก่าคำเก่าเขาเรียกว่าสุญญตาความว่างว่างจากอะไรล่ะก็ว่างจากความหมายของตัวตนว่างจากเที่ยงว่างจากสุขว่างจากอัตตาว่างจากความเที่ยงว่างจากว่ามันเป็นของสุขว่างจากอัตตาตัวตนเขาเรียกว่าสุญญตา ธรรมะที่แสดงความว่างปล่าจากตัวตนอย่างสูงสุดก็คือปฏิจจสมุปบาทตัวธรรมะที่เป็นปฏิจจสมุปบาทนี้เขาเรียกว่าสุญญาตาคนใดที่เห็นปฏิจจสมุปบาทคนนั้นก็เห็นสุญญตาคือว่าเห็นว่าธรรมะ ท, ทั้งหมดทั้งมวลนั้นปราศจากความหมายของตัวตนไม่มีตัวตนเลยสักที่เดียวแขนเราเนี่ยถ้าเราเห็นมันตามที่เป็นจริงแล้วมันมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นแขนเราได้ไหม มันเอาซากเป็ดซากไก่ซากโน่นซากนี่มาทำมาจากการเปลี่ยนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็ไม่สามารถเป็นของเราได้จึงเรียกว่าสุญญตาวว่าว่าานี่ไงกำลังพูดอยู่นี่นี่ว่างสุญญตาทีนี้จิตว่างก็คือจิตที่ไปเห็นสิ่งเหล่านี้เข้าจิตที่ไปเห็นสิ่งเหล่านี้เข้าเขาเรียกว่าจิตว่าง ฉะนั้นคำว่าว่างนี่หมายถึงเต็มสมบูรณ์ของธรรมะแต่ไม่มีความรู้สึกว่ามีเราเข้าไปอยู่ในนั้นนะที่เรามีความรู้สึกว่ามีเราเข้าไปอยู่ในนั้ น, นเข้าไปจับไปยึดนี่แสดงว่าความรู้ของเรามันไม่สมบูรณ์ถ้าคนไหนมีความรู้อย่างสมบูรณ์เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วการที่จะยึดว่าเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราก็จะไม่มีความรู้ชนิดที่สมบูรณ์เป็นจิตที่ไปเห็นอย่างนี้อย่างสมบูรณ์เขาเรียกว่าจิตว่าง จิตที่ว่างจากการยึดมั่นถือมั่นจิตที่ว่างจากกิเลส ช, ชนิดที่จะไปยึดสิ่งต่างๆว่ามันเป็นตัวเป็นตนเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นมันโดยตัวมันเองมันไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นไปในรูปของกระแสถ้าเป็นฝ่ายสังขารนะยิง อ, อาศัยกันและการเกิดขึ้นมาจากความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมันเป็นอย่างนั้นอยู่ซึ่งตัวเราเนี่ยที่สมมุติเรื่อย ก, กันก็เป็นอย่างนั้นอยู่เป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยนะ ทีนี้คนที่ไปเห็นอันนี้เข้าจิตที่ไปเห็นอันนี้เข้าเขาเรียกว่าจิตว่างว่างจากความหมายของตัวตนเพราะว่าได้เห็นความสมบูรณ์ของธรรมะความสมบูรณ์พร้อมเห็นความสมบูรณ์พร้อมของธรรมะแล้วเขาจึงไม่มีความสงสัยในเรื่องของธรรมะว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าตาถตาเนี่ยอย่างนี้นนะเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมตาถตาโอ้มันเป็นอย่างนั้น เอวิตถตาไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นทําไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นอนัญญาถตามันไม่เป็นอย่างอื่นจึงเป็นอย่างนั้นเมื่อเห็นความสมบูรณ์อย่างนี้แล้วจึงไม่มีข้อสงสัยใดๆเกิดขึ้นไม่มีความหมายของตัวตนใดๆเกิดขึ้นว่าจะไปแปลงมันให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเห็นความสมบูรณ์แล้วสิ่งต่างๆนี้มันสมบูรณ์แล้วมันจึงเกิด ไม่ต้องมีตัวมีตนเข้าไปใส่เนี่ยที่มันสมบูรณ์แล้วมันมีเหตุพร้อมแล้วมันจึงเกิดเขาเรียกว่าสุญญตาไม่ต้องมีตัว ต, วตนอะไรเหมือนการมองเห็นนี่ไม่ต้องมีเราอยากมองเห็นแค่อาศัยตาดีเท่านั้นแหละมีรูปภายนอกมากระทบก็เกิดการมองเห็นได้ไม่ต้องมีตัวตนอะไรแต่ถ้าตาไม่ดีละเราอยากจะเห็นแทบตายมันเห็นไหมมันไม่เห็นเพราะเหตุมันไม่พร้อมการแค่การมองเห็นก็แสดงถึงสุญญาตาไม่มีตัวตนอยู่ ในความหมายของการมองเห็นการได้ยินก็เหมือนกันอาศัยหูดีมีเสียงมากระทบหูก็เกิดการได้ยินขึ้นเสียงดีเสียงไม่ดีมันก็ได้ยินใช่ไห ม, ไมนี่เป็นสุญญาตาถ้าหูไม่ดีซะแล้วเราเราอยากได้ยินมันได้ยินไหมไม่ได้ยินเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับตัวตนอะไรไม่ต้องมีตัวมีตนในการเห็นเลยแค่อาศัยตาดีอาศัยมีสิ่งภายนอกกระทบเข้ามันก็เห็น อาศัยหูดีอาศัยเสียงมากระทบมันก็ได้ยินไม่ต้องมีตัวตนในกระบวนการเลยอาศัยใจยังมีอยู่มันรับรู้เรื่องต่างๆก็รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกต่างๆคิดได้คิดดีบ้างไม่ดีบ้างมันทําเองหมดไม่ต้องมีตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องฉะนั้นแม้แต่ความรู้สึกว่ามีตัวตนก็ไม่ได้มีตัวตนอะไรเป็นแค่ความรู้สึกที่เกิดเป็นครั้งแล้วก็ดับไปฉะนั้นทุกอย่างทั้งหมดจึงเป็นสุญญตาหมด มีสิ่งที่แทรกขึ้นมาคือความเข้าใจผิดกับความยึดมั่นถือมั่นของเราเท่านั้นเองเพียงเอาความเข้าใจผิดออกความยึดมั่นถือมั่นออกทุกอย่างก็จะเป็นอย่างที่มันเป็นซึ่งมันก็เป็นอย่างที่มันเป็ น, น, ปนอย่างนั้นนานมาแล้วนะนี่พอเข้าใจไหมเออนะไม่ต้องเข้าใจเยอะก็ได้ <S <S นี่แหละเขาเรียกว่าจิตว่างคือจิตที่เห็นสุญญตาเรียกว่าจุดจิตว่างมันก็จะว่างจาก ความเข้าใจผิดว่ามีตัวมีตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากการเปรียบเทียบใดๆทั้งหมดทั้งมวลว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เราใหญ่กว่าเขาเราเล็กกว่าเขาก็หมดไปทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นคาว่าว่างนี้ไม่ใช่ว่างแบบโล่งโจ้งไม่มีอะไรแต่ว่างคือเต็มสมบูรณ์คนที่จะเห็นความว่างก็คือคนที่เต็มสมบูรณ์ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาแต่ที่จริงว่างคือเต็มบริบูรณ์ทุกอย่างบริบูรณ์ ของมันเองนะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพียงแต่เราทั้งหลายนี้เข้าใจผิดเรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิมีความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจอุปาทานเท่านั้นแหละนะอย่างนี้นะทีนี้คําว่าสมาธิบ้างะคําว่าสมาธิปแปลว่าจิตที่มีความตั้งมั่นคําว่าสมาธินี้ไม่ใช่ว่าเป็นการจดจ่อหรือว่าจดจ้องลงไปที่ใดที่หนึง่ง ในลักษณะเช่นนั้นการจดจ่อจดจ้องลงไปอย่างที่ใดที่หนึ่งอันนั้นเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของพวกสมัยเก่าเขาเรียกว่าการทำสมถะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เรามาเรียกว่าเป็นการทำสมาธิแต่จริงๆไม่ใช่สมาธิเขาเป็นสัพพิเทศษที่ใช้เฉพา ะ, ะการปฏิบัติธรรมะหรือว่าการฝึกฝนภาวนามีอยู่สองอย่างสมถะกับวิปัสสนา แต่ตัวสมาธิเนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมกลางของวิปัสนาไม่เกี่ยวกับสมถะคือจุดเชื่อมกลางของใรสิกขาศีลสมาธิปัญญามันอยู่ฝ่ายวิปัสนาตัวสมถะกับวิปัสนานี่มันต้องทําคู่กันไปแต่ว่าสมาธินี้มันเป็นตัวข้างของวิปัสนานี่พอเข้าใจไหมเนี่ยแต่โดยส่วนใหญ่เราทุกวันนี้เราเอามาปนกันระหว่างครับว่าสมาถะกับสมาธิมันปนกัน แต่ปนกันก็ไม่เป็นไรถ้าเราใช้ถูกโดยส่วนใหญ่เราจะพูดถึงทำสมาธิแบบพวกภายนอกศาสนาอย่างนู้นอย่างนี้อันนั้นเขไม่เรียกทำสมาธิเขาเรียกว่าทำสมถะแต่ทุกวันนี้เรามาใช้ปนกันแหละก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของคำพูดแต่ทีนี้จะอธิบายคำว่าสมาธิในแบบของพระพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาคำว่าสมาธิอันนี้ไม่ใช่จิตไม่คิดอะไรหรือว่า ไม่ใช่ว่าจิตนิ่งๆเงียบๆไปเป็นตอไม้ไม่ใช่แต่สมาธิอันนี้หมายถึงว่าจิตที่มีความตั้งมั่นในการรับรู้ตั้งมั่นในการรับรู้ก็หมายถึงว่าเรารับรู้ปกติเนี่ยแต่ว่าปกติเรารับรู้อย่างนี้แล้วจิตมันไม่ตั้งมั่นในการรับรู้เพราะว่าถ้ามันรับรู้สิ่งที่ดีปั้มมันดันชอบมันรับรู้สิ่งที่ไม่ดีปั้มมันชังมันเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบ เกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจอันนี้เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นคือไม่มีสมาธิไม่ตั้งมั่นในการรับรู้ส่วนจิตที่มีสมาธินี่มันจิตที่มีความตั้งมั่นในการรับรู้ก็คือว่าสิ่งที่ดีๆมามันก็รับรู้ว่าเออมันเป็นอย่างนั้นของมันเกิดแล้วก็ดับไปนี่เรียกว่าจิตมีความตั้งมั่นสิ่งที่ไม่ดีมามันก็รับรู้เหมือนกันว่าเอออันนี้เป็นอย่างนี้ของมันเกิดขึ้นแล้วดับไปอย่างนี้ จิตที่มันมีความตั้งมั่นในการรับรู้อันนี้แหละเขาเรียกว่าสมาธิซึ่งสมาธิตัวนี้มันจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเป็นจิตที่เอาอคติในใจของเราออกไปก่อนเอาเสียงพูดในหัวเราออกไปเสียงพูดในหัวเราก็คืออคติในใจเรานั่นเองเคยเห็นเสียงพูดในหัวเราไหมพอเราเห็นคนนี้ปั๊บโอ้ยสวยเว้ยคนนี้อันเนี้คืออคตินเราจะไม่เห็นคนนี้แล้วเราจะเห็นแต่คําว่าสวยในความคิดของเรา คนอื่นมองอาจจะเห็นว่าคนนี้ไม่สวยก็ได้แต่ที่จริงคนนี้เรามองเห็นกับคนอื่นมองเห็นนี่คนเดียวกันแต่คนหนึ่งว่าสวยคนหนึ่งว่าไม่สวยนะี่กลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วตัวคําว่าสวยไม่สวยดีชั่วถูกผิดสมควรไม่สมควรอันนี้คืออคติในใจเราท่านนีนะ้เคยเปลี่ยนไมไม่ต้องบอกว่าไม่เคยแหละเพราะว่ามันเป็นประจําอยู่แล้วนะฉะนั้นไอ้ตัวตัดสิน คนอื่นตัดสินสภาวะต่างๆตัดสินเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นคําพูดเนี่ยไอ้นี่ดีนี่ไม่ดีนี่น่าเอานี่ไม่น่าเอาเอ้ยนี่คิดดีนี่นี่คิดไม่ดีนี่อันนี้คืออคติในใจเราอันนี้ก็คือใจไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งมั่นนี่รู้จักไหมฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี่จิตไม่มีความตั้งมั่นจึงไม่เกิดปัญญาเนี่ยท่านฟังผมพูดโอ้ทุกอย่างก็เป็นของไม่เที่ยงไม่น่าเอา แต่ทำไมมันยังไม่เห็นความจริงอยู่เพราะว่าใจไม่มีสมาธิมันคอยจะตัดสินตัดสินว่าผมพูดดีหรือพูดไม่ดีพูดเข้าใจหรือไม่เข้าใจทั้งทั้งที่ผมพูดก็ก็เป็นอย่างที่ผมพูดไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวกับท่านเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าพูดเข้าใจแล้วจึงดีพูดไม่เข้าใจแล้วไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นนี่พอเข้าใจหมฉะนั้นไม่ต้องเข้าใจเยอะก็ได้ เราอาเข้าใจมันก็คืออคติในใจของเราเองท่านฟังผมพูดโอ้อาจารย์พูดดีเหลือเกินผมเข้าใจที่อาจารย์พูดแล้วก็เป็นความเข้าใจของท่านแต่ว่าจะเหมือนกับที่ผมพูดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งท่านอยากเข้าใจยังไงก็เข้าใจไปเห็นไหมตัวที่ท่านรู้สึกว่าเข้าใจเอ้ยนี่ยถูกนี่ผิดนี่ดีนี่ไม่ดีอันนี้คืออคติในใจเราเองฉนันให้เอามันออกจะเอามันออกได้นี่เราต้องมาเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆหลักมันไป นะฉะนั้นในการฝึกฝนปฏิบัติธรรมะนะเพื่อให้จิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นนี้ในตอนตอน้ตนๆนั้นต้องพยายามอย่าไปตัดสินชาวบ้านชาวเมืองเขาจนกระทั่งอย่าตัดสินตนเองว่ามันดีหรือมันไม่ดีถ้าเห็นคําว่าดีหรือไม่ดีโผล่ขึ้นมาในหัวเราเนี่ยให้รู้ทันมาัาแล้วก็ละมันไปละมันไปอย่าไปเชื่อมันนะอุย้ยหมาวิ่งมานี่ไม่ดีไม่ดีเลย ให้เห็นมันแล้วก็เอามันออกซะหมามันวิ่งมาก็เรื่องของหมามันไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีคนมากวนเรามาฟังเขาเราฟังทำอยู่เขามากวนเราไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีเขากวนคือเขากวนอาจจะดีก็ได้เพราะว่าเราง่วงแล้วกวนหน่อยอาจารย์จะได้รีบเลิกอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะคิดนี่ยฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีอ่าถ้าเราเห็นคําพูดเออนี่ดีนี่ถูกนี่ผิดเนี่ยให้มองเห็นมันแล้วก็ละมันไป มองเห็นมันล้ละมันไปแล้วต่อไปก็จะเป็นใจที่มีสมาธิมีความตั้งมั่นเนี่รู้จักสมาธิไหมเนี่ยสมาธินี้ก็คือจิตที่มีความตั้งมั่นในการรับรู้เรื่องต่างๆที่มันผ่านมาและผ่านไปผ่านมาและผ่านไปจะเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษากเรียกว่าจิตที่มีความพร้อมสาหรับการศึกษาจิตที่ปราศจากอคติ จุดตั้งต้นของการศึกษาที่ถูกต้องนี้นะคือการเอาอาคติในใจของเราออกไปก่อนทัศนคติอุดมคติความรู้ต่างๆที่เรามีนี้ในหัวเราที่มันพูดอยู่เยอะๆนะเอาออกไปนะคำว่าเอาออกไปนี้ไม่ใช่เอามันไปโยนทิ้งแต่ว่าอย่าเชื่อมันให้รู้ว่ามันพูดอย่างนี้แล้วก็ปล่อยมันไปมันพูดอย่างนี้ปล่อยมันไปมันพูดอีกแล้วปล่อยมันไปนะ ในสมองเรามันเป็นตัวพูดมากสังเกตไหมถ้าอย่างนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเาว่าเขาพูดมาทางปากแต่ตั้งทําเงียบๆไปนะทําเงียบๆไปแล้วมันจะพูดในหัวเราเยอะไปหมดพูดพูดทั้งวันนะตัวนี้เขาเรียกว่าจีสังขารตัวพูดมากนะตัวพูดมากนี้เป็นตัวอคติในใจเรามันจะพูดนั่นพูดนี่พูดนั่นพูดนี่ไปเรื่อยให้หัดไปสังเกต ถ้าสังเกตเห็นแล้วก็ละมันไปได้ละความยินดีละความยินร้ายละอคติในใจเราอคติเพราะว่าชอบอคติเพราะว่าไม่ชอบอะไรพวกนี้ออกไปได้จิต จ, จึงจะเรียกว่ามีสมาธิและพร้อมสําหรับการศึกษาก็เหมือนกับเราศึกษาเรื่องทั่วไปนั่นแหละสมมติเราไปฟังอาจารย์สองคนใช่ไหมมีอาจารย์ที่เราชอบกับอาจารย์ที่เราไม่ชอบอาจารย์ที่เราชอบพูดอะไรมาก็ถูกไปหมดดีไปหมดอาจารย์ที่เราไม่ชอบเป็นไง พูดอะไรมาเราก็แย้งไปอยู่เรื่อยแย้งไปอยู่เรื่อยอย่างนี้เราไม่พัฒนาเราเราต้องเอาคติในใจออกไปก่อ น, นอาจารย์ที่เราชอบพูดถูกก็มีพูดผิดก็มีอาจารย์ที่เราไม่ชอบพูดถูกก็มีพูดผิดก็มีนี่ซึ่งมันทำยากนะพูดดูเหมือนเอ๊ะดูง่ายๆเหมือนกันเนาะแต่ยากนะฉั้นต้องไปฝึกฝนนะจึงจะมีสมาธิมีความตั้งมั่นขึ้นมาได้ อาจิต ท, ที่มีสมาธินี้เป็นจิต ท, ที่มีความปลอดโปรง่งปราศจากพวกอคติในใจที่เป็นความชอบความฉังความชอบความยึดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งการผลักไสนี่ไม่ชอบการตัดสินตามทัศนคติอุดมคติที่เราเชื่อว่าอันนี้ดีและอันนี้ถูกแล้วเนี่ยอันนี้เอาออกนียอันนั้นแหละเขาเรียกว่า จิตมีสมาธิจึงเป็นจิตที่พร้อมสําหรับการใช้งานจริงๆส่วนจิตที่เต็มไปด้วยอคติต่างๆทัศนคติต่างๆว่าเรารู้แล้วก็ดีอะไรก็ดีเราถูกแล้วก็ดีพวกนี้เป็นจิตที่ไม่พร้อมสําหรับการใช้งานเพราะว่าใครๆก็คิดว่าตัวเองถูกได้นะแต่ถ้าถูกจริงเราก็บรรุกไปแล้วไม่ต้องเป็นถูกข์แล้วฉะนั้นแสดงที่ว่าที่เราคิดว่าถูกๆมาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ถูกจริงนะ เราจึงต้องทุกวนเวียนอยู่ใช่ไหมนี่ถ้าเราค่อยๆได้ความรู้อันนี้ไปเราจะค่อยๆรู้มากขึ้นใจจะได้เปิดกว้างมากขึ้นนะอันนี้รู้จักสมาธิไหมฉะนั้นบางทีเราไปเข้าใจว่าสมาธิมันคือนั่งนิ่งไม่คิดอะไรไม่รู้สึกอะไรเป็นตอไม้ไปแต่จริงๆไม่ใช่จิตที่มีสมาธิคือจิตที่มีความตั้งมั่นตั้งมั่นในการรับรู้อารมณ์ต่างๆซึ่งปกติเราก็รับรู้อารมณ์ต่างๆ ธรรมดาธรรมดาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จิตของเราไม่ตั้งมั่นเพราะว่ารับรู้อารมณ์ใดๆแล้วถ้าอารมณ์ฝ่ายดีเราก็ชอบอารมณ์ฝ่ายไม่ดีเราก็ฉ่างตามความรู้สึกของเราไปตัดสินมันเห็นคนนั้นทําเอ้ยนี่ไม่ถูกไปตัดสินเ้าแล้วไม่รู้ว่าที่เราเคยคิดว่ามันถูกนี่มันผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะที่เราเรียนเยนมาเนี่ยไปตัดสินคนอื่นเขาแล้วว่านี่มันไม่ถูกแบบนี้ถูกเนี่ยไปตัดสินไปหมดอย่างนี้เห็นไหม อันนี้เรียกว่าจิตมันยังไม่พร้อมสำหรับการศึกษาจิตมันเต็มไปด้วยอคติไม่มีสมาธินั่นเองนะต่อไปเราก็ตั้งหลายเราทั้งหลายนะก็ต้องฝึกให้ได้จิตที่พร้อมจิตที่พร้อมคือจิตมีสมาธิก็จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญานะถ้าอยากรู้จักจิตที่มีสมาธินะก็ต้องไปฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะเยอะๆแข็งแรงก็จะได้รู้จักมองเห็น พวกอคติต่างๆมันจะโผล่ขึ้นมาแถวๆหัวเรานี่แหละมันจะบอกแอมอันนี้ดีไม่ดีนี่ถูกนี่ผิดนี่น่าเอานี่ไม่น่าเอาทําไมอันนี้เป็นอย่างนี้ทําไมอันโน้นเป็นอย่างโน้นมันจะพากพูดอะไรเขามันเต็มไปหมดอคนนี้น่าใจอย่างนู้นคนโน้นน่าจะอย่างงี้มันว่าไปทั่วนะอันนี้คืออคติในใจตัวเองจิตไม่มีสมาธิแท้ที่จริงเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็น อันนั้นก็เป็นอย่างที่มันเป็นทําไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่เป็นอย่างอื่นมันจึงเป็นอย่างนั้นนะอย่างเช่นถ้าเขาด่าเรามาทําไมเขาจึงด่าล่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่ด่าเขาจึงด่าเพราะเขาไม่ชมเขาเลยด่าอย่างนี้นะพอใจไม่มีคติแล้วมันก็มองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาว่าโอ้เพราะเพราะเขาด่านั่นเองเขาจึงด่าอ้าวมันก็ชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่แล้วว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้ของมันแต่เรานี้ ใจไม่มีคติรับรู้อารมณ์ใดๆแล้วใจไม่พร้อมสําหรับการเรียนรู้อะไรไม่พร้อมสําหรับการที่จะเกิดปัญญามีแต่การตัดสินมีแต่การบอกว่าอะอันนี้ถูกอันนี้ผิดอะไรก็ไม่รู้วนเวียนไปเรื่อยๆนะฉะนั้นที่เราฝึกฝนนะก็เพื่อให้จิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นนี่แหละอนะอันนี้เป็นจุดขั้วต่อที่สําคัญที่จะทําให้เราศึกษาธรรมะได้เข้าใจความจริงมากขึ้นนะ วิธีการฝึกฝนนะก็ให้เราทั้งหลายไปฝึกฝึกให้มีสติเยอะๆรู้จักการฝึกให้มีสติเยอะๆไหมมีความรู้ตัวบ่อยๆะถามตนเองสองคำถามเรื่อยๆตอนนี้กายเราเป็นยังไงหายใจเข้าหรือหายใจออกนั่งหรือยืนหรือเดินหรือนอนถามตัวเองบ่อยๆอย่ามัวแต่หลงเรื่องโน้นเรื่องนี้กายมันเป็นยังไงตอนนี้หายใจเข้าหรือหายใจออก แต่ยังไม่ค่อยรู้ตัวกับทุบตัวเองเลยให้มันรู้ตัวว่าอ่านี่ยมันเป็นอย่างนี้นะให้รู้ตัวเข้าไว้อันนี้เขาเรียกว่ารู้กายนะต่อไปก็ด้านจิตใจความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างรู้สึกทางกายเรานี้เจ็บหลังปวดหลังหรือว่าพอทนได้ความรู้สึกทางใจเป็นไงบ้างสบายหรือไม่สบายจิตใจเป็นไงบ้างสุขหรือว่าทุกหรือว่าเครียดหรือว่าเบือ่อเซง ง่วงหรือว่าปี่ปาถาไปเรื่อยขี้เกียจเบื่อหน่ายเซ็งกลัวแล้วอะไรพวกนี้เห็นไหมฉะนั้นถามคำถา ม, ถามอันที่สองคือตอนนี้ใจเราเป็นยังไงนะอย่าหนะลงไปแต่เรื่องอื่นๆนการฝึกแบบนี้เขาเรียกว่าฝึกให้มีสติคือการที่ย้อนกลับมารู้ที่ตัวเองนี้จะได้กำลังของการมีสติสัมปชัญญะที่เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายใช้ชีวิตแบบหลงลืมคือเอาความรู้นั้นออกไปข้างนอกเ<ม>ที่ยวไปรู้คนอื่นนะการรู้เมืเข้ามาที่ตัวเองก็ ค, คล้ายๆกับการรู้คนอื่นนั่นเองเพียงแต่ว่ามองตนเองเหมือนกับคนอื่นนะเช่นว่าเวลาเรามองคนอื่นนะเราก็เห็นเขานั่งอยู่เท้าคางเราก็รู้แล้วทําท่านโน่นทําท่านี่พูดดีพูดไม่ดีอะสงสัยคิดอย่างนี้เลยมาพูดอย่างนี้เราก็รู้<ม>เห็นหมาวิ่งมายังรู้เลยมันวิ่งท่าไหนท่าไหนยังรู้หมด นี่เขาเรียกว่าความรู้มันออกไปข้างนอกต่อไปแค่คล้ายๆอย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่ามาดูตัวเองตอนนี้ตัวเองมันนั่งอยู่บางคนเขาบอกอ๊ยจะรู้ยังไงไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็รู้คล้ายๆกับที่เรารูข้างนอกนั่นแหละนะเห็นไหมเราเห็นหมาวิ่งมาเราก็รู้ว่ามันวิ่งใช่ไหมทีนี้ตัวเราวิ่งบ้างก็แค่รู้ว่าตัวเองกําลังวิ่งอยู่อย่าไปสนใจหมาเท่านั้นเองเเข้าใจไหมเอาความสนใจใส่ใจนะแทนที่แต่เดิมเราไปใส่ใจข้างนอก ก็มาใส่ใจที่ข้างในแต่เดิมนั้นเราก็พายคนอื่นเขาไปทั่วแหละอะคนนี้มันคิดดีคนนี้มันคิดไม่ดีคนนี้อิจฉาเขามากเลยไม่พูดอย่างนี้ค น, này, ค, คนนี้กี่โกรธคนโน้นอย่างโน้นอย่างโน้นอย่างโน้ น, àng, น, นเห็นไหมต่อมาไอคนโน้อนอย่างโ น, น้นอย่างโน้นนั่นแหละไอตัว น, นี้เราแล้วตัวนี้ยย้อนกลับมาอตอนนี้เรากโกรธเราไม่พอใจเราง่วงเหงานอนเราเซ็งเราเบื่อมันแล้วไอคนนี้อยา ก, ยากด่ามันแล้วกินไอคนนี้ยอยากพูดแล่นี่เห็นไหมนี่ เอาความรู้นะนะั่นมาไว้ที่ตัวเองหัดให้รู้สึกที่ตัวเองเยอะๆะตอ น, น, นแรกๆต้องหัดเอาเพราะว่าปกตินี้เราชอบหลงไปข้างนอกมันเป็นความเคยชินแล้วฉะนั้นพอเวลาที่จะมารู้ข้างในหรือว่ามารู้ตัวเองเนี้มันดูเหมือนยากมากแต่ที่จริงมันไม่ได้ยากอย่างนั้นหรอกที่มันยากเพราะกิเลสกิเลสมันจะบอกเรานะมันจะชอบเห็นกรุงจักเป็นดอกบัว อย่างสมมุติบอกว่าเอาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ท่านว่ามันยากไหมไม่ได้ไปทาอะไรมากเลยนะแค่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นั่งสบายๆไม่ได้ทํทำอะไรนะแต่บางคนบอกว่าอู้ยากมากแต่พอจะหาแฟนคนหนึ่งปไปยากไหมยากแต่ก็ไปหาใช่หหาลูกมาคนหนึ่งหางานมาอย่างหนึ่งหาน้นหานี่มาโอ้ลำบากนะ แต่กิเลสนี่ยมันชอบอันที่มันยากๆนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นกรงจักเป็นดอกบัวส่วนอันไหนที่มันง่ายๆแล้วก็ให้ความสุขกับเราเยอะความทุกข์ล่นหายไปอย่างรวดเร็วนี้มันไม่ค่อยชอบมันคิดว่ายากมากนะฉะนั้นต่อไปก็ให้เราฝึกเยอะๆนะอยู่ที่นี่ให้ฝึกนะถามตัวเองสองคำถามเรื่อยๆตอนนี้กลายเป็นยังไงอา้าวหายใจเข้าหรือหายใจออก เดินยืนนั่งนอนถ้าไม่รู้ตัวก็ทุบตัวเองเอให้รู้ว่าเน่กําลังนั่งอยู่นะกําลังกำมือนะกําลังแบมือนะรูปตัวเองหน่อยอย่าไปสนใจคนอื่นมากจิตใจเป็นยังไงบ้างสุขทุกมีความปีติปราบรื่มใจหรือว่าคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้สงบหรือว่าฟุ้งซ่านก็ถามตัวเองว่าตอนนี้ใจมันเป็นยังไงบ้าง เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเยอะๆแล้วจะรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกตัวเองเมื่อรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกตนเองแล้วเมื่อมันคิดอะไรขึ้นมาเราก็จะไม่ไปทำตามมันแต่เดิมนี่เราพูดไปก่อนแล้วค่อยนึกได้ทีหลังใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าจิตมันขาดศีลต่อไปเราสามารถรู้เท่าทันเจตนาในใจตนเองรู้เท่าทันความคิดฉะนั้นเราจึงไม่ทาตามมัน เมื่อไม่ทําตามมันการกระทำํำทางกายวาจาที่ผิดพลาดมันก็ลดลงเรียกว่ามันมีศีล น, นะต่อไปเมื่อรับรู้อารมณ์ใดๆแล้วมันไปพูดว่านี่ถูกนี่ผิดนี่น่าเอานี่ไม่น่าเอานี่ควรเป็นอย่างโน่นน่นควรเป็นอย่างนี้ต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้ออนออนมันเห็นทันมันก็ละไปได้จิตก็เป็นสมาธิมีความตั้งมัน่นแล้วอาศัยจิตที่มีความตั้งมั่นอย่างนี้นั่นแหละศึกษาไปก็จะเกิดปัญญา เข้าใจความจริงที่อยู่ตรงหน้าตนเองเอกก็เรียงลำดับศีลสมาธิปัญญาไปตามลำดับอย่างนี้นี่พอเข้าใจไหมนะไม่ยากหรอกแต่ว่าบางคนบอกอู้อยากมากนะอย่าไปทำยากนะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เดินยืนนั่งนอนก็รู้ถ้าเราหลงไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หลงไปคิดเรื่องเด็กคนนั้นเด็กคนนี้ก็ให้เรารู้ว่าอ้าวนี่มันหลงไปแล้ว แล้วก็มารู้ที่ตัวเองหายใจเข้าหรือหายใจออกหรือว่าเห็นคนนั้นแล้วเราไม่ชอบให้รู้ว่าเออนี่มันไม่ชอบนะใส่ใจตนเองสนใจตนเองนนั้าการปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นการเปลี่ยนจุดสนใจแต่เดิมเคยสนใจข้างนอกต่อมาให้มาสนใจที่ตนเองเพราะว่าที่ตนเองนี้จะสอนธรรมะทั้งหมดนะจะสอนธรรมะทั้งหมดเมื่อ รู้เท่าทันจิตใจตนเองก็จะทําให้เป็นคนมีศีลกายวาจาจะถูกต้องเพราะว่าเมื่อมีเจตนาไม่ดีคิดไม่ดีมันก็จะมองเห็นรู้ทันแล้ว mm hmm. เวลาเราพูดไม่ต้องสนใจคนอื่นให้สนใจตนเองโดยปกติเนี่ยเขาจะสอนเราว่าเวลาพูดกับคนนี้ต้องพูดดีๆนะเวลาพูดกับเจ้านายเราก็จะเกรงใจใช่ไหมพูดอย่างเงี้ยอันนี้แบบเดิมซึ่งเราก็เป็นอยู่แล้วต่อมาให้เปลี่ยนใหม่ พูดกับคนอื่นไม่ต้องสนใจคนอื่นสนใจตัวเองเอาไวนะ้ซึ่งคนอื่นนี่เราต้องรู้อยู่แล้วสนใจอยู่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะสนใจตัวเองว่านี่นี่เรากาลังคิดอะไรรู้สึกอะไรจึงพูดอย่างนี้อยากได้หน้าเลยพูดอย่างนี้อยากให้เขาเห็นความสําคัญเลยพูดอย่างนี้อยากให้เขาชมเลยพูดอย่างนี้อยากให้เขาสบายใจเลยพูดอย่างนี้นี่ดูตัวเองนี่แล้วพอมันเห็นก็จะรู้ว่า อันไหนที่เกิดจากเจตนาที่ผิดพลาดใจจะเกิดความเดือดร้อนขึ้นมานะพอเห็นบ่อยๆมันก็จะรู้ทันแล้วก็จะละไปได้นี่พอเข้าใจไหมการที่เรารู้เท่าทันเจตนาในใจรู้เท่าทันความคิดตนเองแล้วก็ละการกระทาการพูดที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ดีได้อันนี้เรียกว่าศีลใจก็จะเป็นจิตใจที่มีความเป็นปกติไม่มีความเดือดร้อนใจในภายหลังไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลัง เราทั้งหลายชอบมีเรื่องเสียใจภายหลังเยอะใช่ไหมเพิ่งมันนึกได้ทีหลังเนี่ยเพราะว่าไม่รู้เท่าทันจิตใจตนเองทงั้งที่ก็รู้แหละอันไหนดีบ้างไม่ดีบ้างก็พอรู้ใช่ไแต่พอกิเลสมันลงเข้ามันก็ไปทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเยอะนะครับเมื่อมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นก็จะรู้เท่าทันความคิดในใจเรามากขึ้นการปรุงแต่งในใจเสียงพูด อาการหลงไปทางใจเราที่ไปตัดสินสิ่งนั้นสิ่งนี้จนละมันได้ก็เป็นจิตที่มีสมาธิอยากรู้ไหมเราหลงตอนไหนประโยคคําพูดที่ขึ้นมาในหัวเราเนะี่ยเขาเรียกว่าหลงถ้าใครอยากจะรู้นะอ้าวไอ้คนนี้ตัวสูงจังเสียงที่ขึ้นมาในหัวนี่แสดงว่ามันหลงไปแล้วะให้รู้จักมันว่าอ้าวนี่มันหลงไปแล้วเนะี่ยถ้าเกิดเสียงพูดประโยคใดประโยคหนึ่งขึ้นมาให้รู้ว่าตัวเองหลงไปแล้วพอเข้าใจไหม นะจันให้นั่งดูตัวเองไว้บ่อยๆอยู่กับตัวเองเยอะๆแล้วก็จะได้ดูมันศึกษามันเมื่อเข้าใจตนเองก็จะเข้าใจคนอื่นไปด้วยเมื่ออยู่กับตัวเองเป็นสัมพันธ์กับตัวเองถูกก็จะสัมพันธ์กับตัวเองถูกคนอื่นถูกไปด้วยเมื่อยอมรับตนเองได้อย่างไร้เงื่อนไขก็จะยอมรับคนอื่นอย่างที่เขาเป็นได้ก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่างเมตตาเป็นเพื่อนเป็นมิตรการยอมรับเขาได้อย่างที่เขาเป็นเนี่ยเขาเรียก ความเป็นเพื่อนที่แท้จริงนะเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันที่แท้จริงเธอจะเป็นเพื่อนฉันก็ต่อเมื่อเธอต้องทําคล้ายๆฉันเนี่ยมาเป็นพวกเดียวกับฉันเนะ่ถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันเป็นศัตรูกันนะนานกลายเป็นอย่างนั้นไป อ, อันนี้มันไม่ใช่เพื่อนกันอันนี้มันเลือกที่รักมักที่ชังเป็นอานาจของอิเลส ต, ตอนนั้นเองนะถ้าเป็นเพื่อนที่แท้จริงก็คือยอมรับเขาได้อย่างที่เขาเป็นเขาจะดีจะชั่วเราก็ยอมรับเขาได้ ่ซึ่งการที่จะยอมรับคนอื่นได้อย่างนี้ต้องยอมรับตนเองได้อย่างไร้เงื่อนไขซะก่อนรักตนเองอย่างไรเงื่อนไขซะก่อนขนาดตัวเราเองยังรักไม่เป็นเลยนะยังเกลียดตนเองอยู่อย่างนี้ไม่ได้เลื่ยงหรอกไม้ REW ต้องไปพูดถึงรักคนอื่นก็ได้เพราะว่าขนาดตัวเราเองยังรักไม่เป็นเลยเนาะแต่โดยส่วนใหญ่เขาสอนให้เราไปรักคนอื่นใช่ไหมแต่โดยความจริงแล้วเราต้องรักตนเองให้เป็นก่อนรักมันอย่างไรเงื่อนไข อเมื่อทําอย่างนี้ได้ยอมรับตัวเองอย่างนี้ได้ก็จะยอมรับคนอื่นได้แล้วก็เข้าใจความจริงได้เข้าใจความจริงข้างนอกก็มาจากการเข้าใจความจริงข้างในนี่แหล ะ, ะเมื่อศึกษาหรือว่าเรียนรู้อย่างนี้แล้วได้ความรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วการศึกษาธรรมะเพื่อให้เข้าใจนั้นแท้ที่จริงต้องมาศึกษาที่ภายในตัวเองนี้เท่านั้นเองที่สุดทุกอยู่ในกายาวาณาคือที่มีจิตใจอันนี้ เราก็จะไม่มีทางผิดทางอีกเพราะว่าไม่ได้เดินไปไหนทุกวันนี้เราเดินผิดอยู่เรื่อยสังเกตไหมผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้เพราะว่าเราไปหาอาจารย์ที่อื่นมาหาอาจารย์นี่บ้างอาจารย์สุภีบ้างอาจารย์โน่นบ้างอาจารย์นี่บ้างมันจึงมีทางผิดพลาดได้มากแต่ต่อไปถ้าเราได้อาจารย์แล้วอาจารย์หนึ่งเดียวคือกายกับใจของเรานั่นแ่ะจะไม่มีทางผิดพลาดอีกต่อไปเพราะว่าที่สุดทุกมันคืออยู่ที่นั่นเองเราไม่ได้ไปไหนเราจึงไม่มีทางผิดพลาด พอเข้าใจไหมฉะนั้นการศึกษาธรรมะโดยแท้จริงนะถ้าเราศึกษาโดยถูกต้องศึกษาที่กายที่ใจที่ขันทั้งห้าอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นมาศึกษาเรียนรู้มันเนี่ยจะไม่มีทางผิดพลาดนะเพราะว่าเราไม่ได้เดินไปไหนเราแค่ดูมันดูมันทําแล้วก็จะเข้าใจมันก็จะแสดงทุกอย่างให้เราดูนี่พอเข้าใจไหมถามเรื่องอะไรไปถามเรื่องสมาธิเลยพูด ระเลิดไปเลยนะอันนี้เพื่อเพื่อให้เข้าใจประเด็นของสมาธิว่าแท้ที่จริงมันอยู่ตรงกลางของกลุ่มวิปัสนาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะเป็นจุดเชื่อมที่จะทําให้เกิดปัญญาเข้าใจความจริงได้เป็นจิตที่มีความพร้อมสําหรับการศึกษาด้วยใจที่ปราศจากอคติด้วยใจที่ปราศ จ, จ, จากการตัดสิน อย่างนี้ต่อไปเราก็จะสามารถสรัมผัสมันคนอื่นได้จริงๆคุยกับคนอื่นได้จริงๆโดยส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้คุยกับคนอื่นคุยกับตัวเองคือถ้าใครพูดถูกใจเราก็ดีพูดไม่ถูกใจเราก็ต่อยกันแะอย่างนี้น่มันไม่พร้อมใจมันไม่ยังไม่เปิดกว้างหรือว่าไม่ยอมรับสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นไม่ยอมรับความแตกต่าง